สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพรเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสองศูนย์เจ็ดนะครับสิทธิอํานาจของพรปเยซูเจ็ดตอนเหนือชีวิตของผู้รับใช้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัตทิวบทที่เก้ามัตทิวบทที่เก้าข้อที่สามสิบหกจนถึงข้อที่สาสิบแปดโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ทรงเทศนาในธรรมศาลาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าและรักษาโรค ภ, ภัยไข้เจ็บทั้งปวงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนลูกแกะขาดคนเลี้ยงแล้วพระองค์ก็ตรัสกับเหล่าสาบวบอกว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยนักเพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของแห่งการเก็บเกี่ยว ให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์พี่น้องครับเพระเาะขนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในหัวข้อเรื่องของสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือผู้รับใช้พี่น้องครับในขณะที่โลกเราทุกวันนี้ก็เสื่อมโทบลงไปทำให้ภูมิอากาศภูมิประเทศและหลายสิ่งหลายอย่างที่มาคุกคามชีวิตของเราชีวิตของพวกเราเปรียบเสมือนกับลูกแกะ ที่มีผู้เลี้ยงหลังจากที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดแต่ลูกแกะอีกหลายตัวเที่ยงขาดผู้เลี้ยงพระเยซูเป็นห่วงเขาพระเยซูสงสารเขาและพระเยซูปรารถนาที่จะให้พวกเขานั้นจะไม่เป็นลูกแกะที่ขาดคนเลี้ยงแต่จะเป็นลูกแกะที่มีผู้เลี้ยงพระเยซูก็เลยตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่างานเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อย เพราะฉะนั้นจงทูลขอพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวให้ส่งคนงานมายังทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์ ท, ที่นี่ครับมีวลีที่น่าสนใจมากก็คือคำว่าผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวหรือเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวพี่น้องครับพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของทุ่งนาที่เหลืองอาลามแล้วและมี ยังทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับเกียรติโดยการที่จะเข้ามาอยู่ในงานนี้อยู่ในันธกิจนี้พี่น้องครับคนงานยังน้อยครับก็คือเป็นผู้ที่จะช่วยพระเจ้าในการเก็บเกี่ยวที่นี่เองทำให้ตัวผมเองนะครับขออนุญาตเป็นพยานอีกครั้งหนึ่งว่า จากพระคมพีตอนนี้นี่เองทำให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พระเจ้าผมถือว่าพระเจ้าได้ให้เกียรติผมอย่างยิ่งผมถือว่าพระเจ้าได้มอบความไว้วังใจให้กับผมเพื่อที่ผมน้จะเป็นผู้ที่เก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์อีกด้านหนึ่งผมมีความรู้สึกละอายเพราะแท้จริงแล้วผมเป็นคนที่ไม่สมควรขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ยังใช้ใช้คนที่ไม่สมควรเช่นนี้เพื่อจะเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์ เป็นคนงานของพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยวและเป็นเจ้าของทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยวของพระองค์ผิดนังครับขณะที่พระเยซูได้ทรงถือกำเนิดในโลกนี้และพระองค์ได้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้กางเขนพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์นั้นซื้อชีวิตเรากลับมาพระเยซูใช้ชีวิตของพระองค์เองพระชนชีพของพระองค์เองแต่ต้องชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนแต่ต้องผู้คนทั้งหลายแต่ต้องคนที่อยู่ในธรมารมศาลา แต่ต้องคนที่อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ต้องผู้ที่รักษาโดยรักการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของคนให้หายพเพื่อนครับในข้อที่36พูดถึงเรื่องของ compassion compassion ก็มือจิตใจสงสารหรือจิตแห่งความสงสารนั่นเองพระเยซูทรงมีจิตแห่งความสงสารเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความต้องการของประชาชนพี่อนครับประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยประชาชนถูกคุกคาม ประชาชนถูกรบกวนด้วยผีมารสตานประชาชนถูกครอบงำด้วยอำนาจมืดวิญญาณชั่วและความบาปต่างๆทั้งหลายประชาชนถูกครอบงำโดยเครื่องมือของอำนาจมืดวิญญาณชั่วก็คือผู้คนที่อยู่ฝ่ายมันพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายนับการเตือนสติว่าเราทั้งหลายนั้นจะต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมพันธกิจกับองค์พระบิณฑเจ้าในการเก็บเกี่ยว ในการที่จะเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นมีความต้องการในชีวิตด้วยเหตุนี้หลายหลายคนจึงได้อยู่ในช่องทางนี้ทำให้พวกเขานั้นเป็นผู้ที่รับใช้ตามของประทานที่มีอยู่ตามวิชาชีพที่ตัวเองมีอยู่อย่าลืมครับว่าพร ะ, พระเยซูพระเจ้านั้นเป็นเจ้าของบริษัทพระเจ้าเป็นเจ้าเจ้าของกิจการพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเรา ทางเราทํางานบริษัทเราต้องมอบบริษัทของเราให้กับพระเจ้าหากเราเป็นเจ้าของกิจการเราก็ต้องมอบกิจการของเราให้กับพระเจ้าหากเราปรารถนาที่จะได้ชีวิตเราจะต้องมอบชีวิตให้กับพระองค์พี่น้องครับผมอยากจะขอเนียาเป็นพยานว่านี่คือการทรงเรียกในขณะที่ผมป่วยเป็นโรคมะเร็งพระเจ้าได้ทรงเรียกผมผ่านทางพระเจ้าตอนนี้ก็คืองานนะครับเก็บเกี่ยวมีมาก พูดอีกในหนึ่งในเวอร์ชัน1971ก็คือทุ่งนาก็เหลืองอลามแล้วจงทูลพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พี่น้องครับเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์รองทร ง, งเป็นเจ้าของครับเราเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้เท่านั้นเราอย่านึกว่าเราเป็นเจ้าของเมื่อเราเลี้ยงแกะเราอย่านึกว่าเราเป็นเจ้าของแกะ แต่เราเป็นคนที่พระเจ้าได้มอบหมายมอบภาระหน้าที่ให้มาดูแลแกะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดูแกะอย่างดีและแกะนี้ไม่ใช่เป็นของเราครับแกะนี้เป็นแกะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับทาให้ผมได้มีโอกาสคิดถึงขณะที่ผมเป็นมะเร็งนั้นพระเจ้าได้ให้โอกาสแลาครั้งทีเดียวผมมีความเชื่อน้อยพระเจ้าก็ให้โอกาสให้ผมมีความเชื่อมากเชื่อมากขึ้นโดยส่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตโดยเพราะอย่างยิ่ง ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ซ้ำซอ้อนหรือแม้กระทั่งความเครียรดต่างๆหรือแม้กระทั่งการถูกกดดันในสภาวะการต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทํางานก็ดีปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างผู้ร่วมงานหรือแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเช่นเดียวกันพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าส่งเข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ทำให้เราทั้งหลายทุกคนนั้นรับการฝึกฝนเราสามารถที่จะพึ่งพาพระเจ้าได้และมีความสุขความชื่นชมินดีภายใต้สภาวะกดดันภายใต้สภาวะกรรมเจ็บแค่ได้ป่วยพระเจ้าได้ใช้เพื่อใช้ของปลงมากมายแต่ต้องชีวิตของคนอื่นๆเช่นผู้ที่เจ็บแค่ได้ป่วยผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิตผู้ที่อยู่ในภาวะการแตกแยกของครอบครัวผู้ที่มีความทุกข์มีความเหน็ดเหนื่อย จากหน้าที่การงานผู้ที่หลายลายครั้งหาทางออกไม่ได้ในชีวิตผู้ที่เผชิญวิกฤตมรสุมของชีวิตมากมายคุณครับคนเหล่านี้ต้องการคนที่จะเข้ามาดูแลเขาในคุณจจักมากมายมีคนที่มีความต้องการแบบนี้แต่คนเหล่านี้หลายลายครั้งทีเดียวเราอาจจะมองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงทราบครับว่ามีคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของสามีภรรยาของพ่อแม่กับลูกหรือความสัมพันธ์ในด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทํางานไม่ว่าอยู่ในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและเป็นองค์คาบยศหนึ่งในชีวิตของเราเพียอนครับคนเหล่านี้ครับต้องการความช่วยเหลือใครจะไปบอกเขาครับใครจะไปช่วยเขาครับนอกจากเรานอกจากเราผู้ชึ่งพระเจ้าได้ให้เกียรติเรา แม้ว่าเราอาจจะไม่สมควรก็ตามพี่น้องครับอยากจะให้ข่าวสารในวันนี้เนื้อหาสาระในวันนี้จะแตะต้องชีวิตและท่าทยหลายหลายคนที่กำลังคิดถึงเรื่องของการถวายตัวเรื่องของการที่จะมอบตัวเองให้กับพระเจ้าอย่าไปคิดว่าการถวายตัวนั้นจะต้องเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาอย่างเดียวครับแต่การถวายตัวนั้นก็คือการถวายทุกสิ่งในชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ไม่จะเป็นวิชาชีพหรือทักษะต่างๆที่ท่านมีอยู่ในการทรราหากินไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่ท่านได้มีตาแหน่งอยู่มอบให้กับพระเจ้าเะครับและพระเจ้าจะมัล t ิพายหรือทวีคูณเหมือนกับขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวที่เด็กคนนั้นมอบให้กับเปเยสูด้วยความใสซื่อ ด้วยความสะอาดในหัวใจและในที่สุดขนมปังห่าก้อนและปลาสองตัวสามารถเลี้ยงคนได้ห้าพันคนเห็นครับหากว่าเด็กคนนี้หรือเรานะครับเก็บขนมปังนี้ไว้เราก็กินอิ่มแต่เพียงคนเดียวครับแต่คนอีกห้าพันคนเขาอยู่ที่ไหนครับคนอีกห้าพันคนอาจจะต้องกระจัดกระจายไปอดฟังพระจ้ะของพระเจ้าอดเด้ละพระพรแต่เมื่อเรายอมมอบถวาย ขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวนั้นอยู่ในมือขององค์พระเจ้าแล้วนั่นหมายความว่ามอบอนาคตมอบชีวิตมอบความอิ่มท้องของเราแต่พระเจ้าได้ทรงจิบเอาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวของเรานั้นนําไปทวีคูณเพิ่มพูนมากมายและเป็นประโยชน์เป็นอาหารเลี้ยงชีวิตของคนอีกมากมายต่อไปขอพระเจ้าอวยพรและทรงเมตตาทุกท่านครับ ในขณะที่ทุ่งนาหรืออ า, ามแล้วอย่าปล่อยให้ชีวิตของท่านเสียของครับอย่าปล่อยให้ชีวิตของท่านอยู่เพื่อตัวเองฝ่ายเดียวแต่อยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเป็นพลเมืองของแผ่นดินและอยู่เพื่อแผ่นดินแผ่นดินนี้คือแผ่นดินสวรรค์ครับอาเมน